ขอขอบคุณโรงแรมโนเวทเทลสยามสแควร์และคอนเซ็ปต์ซีเอ็มสแควร์ร้านทําผมชาริบาวแเฮลออโต้สยามสแควร์ซอยห้าสายการบินไทยแอเซียสนับสนุนการเดินทาง The Forte เตอร์อาเซียนิวหนวดล่าช้าวิดีโอ VCD และ DVD นิวหนวดซาวสกูตเลคคาร์ติดต่อการแสดงสดของออเดดได้ที่ 01-639-8191 และ 01-839-7399 ขอขอบคุณทุกท่านที่ซื้อของจริง